บันทึกที่สเรื่องศิลปตะาปรามาส ศ, ศิลรัตะาปรามาสเป็นสังโยชน์ที่มักเข้าใจกันพลาดมากที่สุดข้อหนึ่งจึงเห็นควรนำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจในสุตตานิบาตมีพุทธพจน์มากแห่งตรัสถึงสมณพราหมณ์และบุคคลบางพวกมีความเห็นผิด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 ความเห็นผิดนั้นอาจแสดงออกในรูปของการบำเพ็ญศีลพรตเพื่อจะได้เป็นเท พ, พเจ้าดังปรากฏบ่อยๆในพระสูตรต่างๆโดยข้อความว่ามีปานิธานหรือมีทิฏฐิว่ามีศีลหรือพรตหรือตบะหรือพระมจรรย์ น, นี้เราจะได้เป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งคำภีมหานิเทศและจุนลนิเทศ ได้อธิบายเรื่องการยึดถือความบริสุทธิ์ด้วยศีลและพรนเช่นนี้ไว้หลายแห่งเช่นแห่งหนึ่งว่ามีสมณพราหม์พวกหนึ่งถือความบริสุทธิ์ด้วยศีลพวกเขาเชื่อถือสุทธิวิสุทธิความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นวิมุติบริมุติเพียงด้วยศีลเพียงด้วยสัญญะการบังคับควบคุมตนเพียงด้วยสังวรความสำรวมระวัง เพียงด้วยการไม่ล่วงละเมิดและอื่นๆมีสมณพราหม์พวกหนึ่งถือความบริสุทธิ์ด้วยพรตพวกเขาถือหัตถิพรตคือประพฤติอย่างช้างบ้างถืออสสพรตประพฤติอย่างม้าบ้างถือโคพรตประพฤติอย่างวัวบ้างจนถึงถือพรมพ ร, บพ ร, บพรตบ้างถือเทวพรตบ้างถือทิศพรตคือไหว้ทิศบ้าง คำอธิบายเช่นนี้ลงตัวเป็นแบบในคำจำกัดความคำว่าศิลปตะปรามาตยของคำพีอภิธรรมว่าทิฏฐิการยึดถือของสมณพราหมณ์ทั้งหลายภายนอกจากธรรมวินหยนี้ทานองนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลความบริสุทธิ์มีได้ด้วยพรสความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลและพรสนี้เรียกว่า ศีลปัตตาปรามาตคำว่าของสมณพราหมายนอกนั้นบางทีทำให้บางท่านเข้าใจผิดว่าการประพฤติศีลพรดของพวกนักบวชนอกศาสนาเท่านั้นเป็นศีลปัตตาปรามาตความจริงคำที่ว่านี้ควรถือเป็นคำเน้นเพื่อชี้ตัวอย่างรูปแบบ หรือแนวปฏิบัติเท่านั้นอาจเลี่ยงแปลเป็นว่าการยึดถืออย่างพวกสมณพราหมณ์ภายนอกก็จะชัดขึ้นหรือไม่ต้องเติมคำนั้นเข้ามาเลยก็ได้เหมือนอย่างพุทธพจน์ทั้งหลายในสุตตานิบาตและคำอธิบายในกุตการนิกายมหานิเทศและในอัธกถาเช่นอัตตาสาริณีเป็นต้นก็ไม่มีคาว่าของสมณพราหมณ์ภายนอก เพราะเมื่อยึดถือผิดอย่างนี้ถึงอยู่ในพุทธศาสนาก็เป็นการถืออย่างคนนอกพระศาสนาสรุปความหมายตอนนี้ว่าศีลพัตต์ปรามาตรมายถึงการประพฤติศีลโพด้วยโมหะคือความหลงงมงายว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นบรรลุจุดหมายของศาสนาเพียงด้วยการบำเพ็ญศีลโรดนั้น และในความหลงผิดนี้ลักษณะนหนึ่งที่แสดงออกมาคือการกระทำด้วยตันหาและทิฏฐิเช่นประพฤติอย่างนั้นเพราะอยากไปเกิดเป็นเทวดาและมีความเห็นผิดแฝงอยู่ด้วยพร้อมกันว่าการบาเพ็ญศีลพรธนั้นจะทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ว่าโดยความหมายตามรูปศัพท์ศิลป ะ, ะประมามมตด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 เช่นวินัยของพระภิกษุมีทั้งศีลและพรตกล่าวคือส่วนที่เป็นสัญญาณหรือสัญมะการบังคับควบคุมตนหรือการงดเว้นสังวรความสำรวมระวังการไม่ล่วงละเมิดเป็นศีลส่วนการสมาทานหรือข้อที่ถือปฏิบัติเป็นพรตข้อที่เป็นแต่พรต ไม่เป็นศีลได้แก่ทุดงทั้งหลายเช่นถืออยู่ป่าถือบินทบาดเป็นประจำถือทรงภาพบางสุกุลเป็นต้นในการบำเพญ็ญศีลพรสโดยหวังจะไปเกิดเป็นเทพถ้าเป็นนักบวชนอกศาสนาเช่นพวกถือกุกุราพรสอัรธกถาก็อธิบายว่าศีลก็หมายถึงประพฤติอย่างสุนักรส ก็หมายถึงข้อปฏิบัติอย่างสุนักถ้าเป็นชาวพุทธสีลก็ได้แก่เป็นจัตสิหรือสินห้าเป็นต้นรถก็ได้แก่การถือทุดงบางทีอัรธกถาก็พูดเฉพาะภิกษุว่าสีลหมายถึงปราริสุทธิ์ที่สีสี่รถหมายถึงทุดดวงสิบสาม ปรามาตตมักแปลกันว่าลูบคลำแต่ความจริงความหมายในบาลีทั่วไปได้แก่หยิบฉวยจับต้องจับไว้แน่นเช่นพระจับยึดตัวอุบาสกไว้ที่คาวุกุมารจับเสียญพระเจ้ากาศีเพื่อจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าไม่ทรงยึดมั่นความรู้ไม่ควรหยิบฉวยเอาของที่เขามิได้ให้ การจับช่วยท่อนไม้และสัตว์ปาเพื่อทำร้ายกันทุกประโยคในที่นี้ท่านอ้างยิงที่มาจากพระไตรปิดกที่แปลามาจากคําว่าปารามาสนะครับที่แปลกันว่ารูปคลองค์จะมาจากชาดกว่าด้วยกําเนิดของสุวรรณสามกุตสาหและมันทัพพยาุมารว่ารีศีปรามาสนาภีหรือท้องของภริยาเป็นต้น ซึ่งน่าจะเป็นการเอานิ้วแตะจี้หรือจดลงที่สะดือมากกว่าหรือเทียบเคียงจากวินัยปิฎกเล่มที่หนึ่งซึ่งอธิบายปรามสนาโดยไขยความว่าอิโตจิตโตจะสันโจปนาแปลได้ว่าลูกหรือสีไปมาอย่างไรก็ตาม ความหมายของปรามาสในด้านหลักธรรมมีคำอธิบายเฉพาะชัดเจนอยู่แล้วว่าสภาวังอิติกามิตวาปัรโตอามัสตีติปรามาโสแปลว่าจับชวยเอาเกินเลยสภาวะเป็นอย่างอื่นไปจึงแปลว่าถือเลยเถิดคือเกินเลยหรือคลาดจากความเป็นจริงกลายเป็นอย่างอื่นไปเสีย เช่นตามสภาวะที่จริงไม่เที่ยงจับชวยหรือยึดถือพลาดไปเป็นว่าเที่ยงศีลพรตมีไว้ฝึกหัดขัดเกลวเป็นบทฐานของภาวนากลับถือเลยเถิดไปเป็นอย่างอื่นคือเห็นไปว่าบำเพ็ญแต่ศีลพรตก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ สีลพตาปรามาสนี้ก็เป็นทิฏฐิคือความเห็นหรือการยึดถืออย่างหนึ่งจึงมีปัญหาว่าเหตุใดต้องแยกต่างหากจากสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคือสักกายทิฏฐิซึ่งเป็นทิฏฐิเหมือนกันอัทธกถาอธิบายว่าสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือ ต, ตัวตนนั้นเป็นทิฏฐิพื้นฐานอยู่กับตนเองตามปกติโดยไม่ต้องอาศัยตรกกะ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 ซึ่งถูกจับต้องแล้วหรือจับต้องบ่อยๆหมายความว่าแปดเปื้อนหรือเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วท่านอธิบายว่าถูกตัญหาและทิฏฐิจับต้องคือปละเปื้อนหรือไม่บริสุทธิ์และถูกตัญหาและทิฏฐิเข้ามาเกลือกล้วพัวพันคือรักษาศีลบาเพ็ญพรตเพราะอยากได้ผลตอบแทนเป็นลาบยศสันเสริญสุขสวรรค์ หรือเพราะเข้าใจว่าจะได้เป็นนั่นเป็นนี่ตามลัทธิหรือทฤษฎีที่ยึดถือเอาไว้ศีลที่บริสุทธิ์จึงเรียกว่าเป็นอปปรามัถะไม่ถูกตันหาและทิฏฐิแต่ต้องให้เปรอะเปื้อนประพฤติด้วยปัญญาถูกต้องตามหลักการและความมุ่งหมายเป็นไทยคือไม่เป็นาธาตุของตันหาและทิฏฐินั้น เป็นศีลระดับพระโสดาบันอัตถกถาอธิบายไว้ปลาอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ถูกปรามาสคือใครๆท้วงตำหนิดูมิน่นหรือหาเรื่องไม่ได้ลักษณะสุดท้ายของการถือศีลพรดที่พลาดหลัก ก็คือการถือที่เป็นเหตุให้มาทะเลาะวิวาสเกี่ยงแย่งกันว่าใครดีใครเลวท่านผิดฉันถูกหรือเป็นเหตุให้ยกตนโคมผู้อื่นว่าเราทำได้เกรงรัดถูกต้องคนอื่นเลวกว่าเราทำไม่ได้อย่างเราเป็นต้นเท่าที่กล่าวมาพอจะสรุปลักษณะการถือสินธรถ ที่เป็นศินลปะปรามารได้ว่าเป็นการถือด้วยโมหะหรือด้วยตัณหาและทิฏฐิซึ่งแสดงออกในรูปของการถือโดยงมงายไม่เข้าใจความมุ่งหมายสักว่าทำตามๆกันไปอย่างเถส่องบาทบ้างถือโดยหลงผิดว่าศีลพรดเท่านั้นก็พอให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นหรือถืออย่างเป็นพิธีรีตองศักดิ์สิทธิ์ว่าทาไปตามนั้นแล้ว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 ถือเพราะอยากได้เหยื่อล่อเช่นโชคลาบกามาสุขเป็นต้นบ้างถือเพราะมีความเห็นผิดในจุดหมายว่าสินพรษจะทำให้ได้เป็นนั่นเป็นนี่บ้างถือแล้วเกิดความหลงตัวเองเป็นอาการยกตนข่มผู้อื่นบ้างลักษณะการรักษาศีลบำเพ็ญพรษที่ถูกต้องไม่เป็นศินลพตะปรามาต ก็คืออาการที่พ้นจากความผิดพลาดที่กล่าวแล้วข้างตน้นซึ่งแสดงออกด้วยการปฏิบัติที่เกิดจากความรู้ระหนักว่าประทําเพื่อฝึกหัดขัดเกลารตนเองเพื่อเป็นบาทของสมาธิเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อความดีงามของประชุมชนปฏิบัติด้วยมองเห็นโทษของการเบียดเบียนทราบซึ้งว่าความสงบเรียบร้อยไม่เบียดเบียนกันเป็นต้น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 เข้าลักษณะของฐานหนึ่งใน6กที่พระอระหันต์น้อมใจไปคือข้อที่ว่าพระอระหันต์น้อมใจดิ่งไปในภาวะที่ไม่มีการเบียดเบียนมิใช่เพราะถือศิลปตะปรามาตรแต่เพราะหมดราคะหมดโทสะหมดโมหะเบื้องแรกศีลเป็นความประพฤติปกติ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 ก็มีสินพรษดังที่ท่านเรียกว่าศิลวัตูปปันนะแปลว่าผู้เข้าถึงสินพรษหรือประกอบด้วยสิละพรษบ้างสิละพตสัมปันนะที่แปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยสินพรษบ้างจะว่าบริสุทธ์ด้วยสินพรษก็ไม่ถูกบริสุทธ์ได้โดยไม่ต้องมีสินพรษก็ไม่ถูกแต่อยู่ที่สินพรษที่ไม่เป็นสิละพตปรามาต รสอาจาไม่จำเป็นเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับขฤรือหัดแต่ศีลที่เป็นอปิรามัตคือบริสุทธิ์ไม่คลาดหลักจากความจริงไม่เปร่อด้วยตัญหาและทิฏฐิเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับความบริสุทธิ์หลุดพ้นในทุกกรณีดูในตอนว่าด้วยพระโสดาบันข้างหน้าสรุปลงให้สั้นที่สุด หลักการของศีลพรนก็มีเพียงว่าเมื่อบุคคลถือปฏิบัติศีลพรน์ใดแล้วอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมศีลพรนอย่างนั้นผิดพลาดไร้ผลเมื่อบุคคลถือปฏิบัติศีลพรน์ใดแล้วกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมถอยศีลพรนอย่างนั้นถูกต้องมีผลดี